จากภารกิจการงานจึงได้มาวัดเพื่อมาตักตัวประโยชน์สูตที่จะได้รับจากพระพุทธศาสนาเพราะเรารู้ว่าการปรากฏของพระพุทธศาสนาในแต่ละครั้งนี้ไม่ใช่เป็นของง่ายการที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ และได้พบกับพระพุทธศาสนาก็เป็นของของยากไม่ใช่เป็นของง่ายดังนั้นเมื่อเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนาแล้วเราจึงควรรีบขวนขวายตักตวงผลประโยชน์ที่ควรจะได้รับจากพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนานี้ก็มีอายุ เพียงห0 0พันปีเท่านั้นตามที่พระพุทธองค์ได้ทรงพยากรณ์เอาไว้และหลังจากที่เราตายจากชาตินี้ไปแล้วเราไม่รู้ว่าจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเมื่อไหร่อาจจะอีกหลายพันหลายหมื่นปีก็ได้ขึ้นอยู่กับบุญกรรมที่เราทำเอาไว้ถ้าทำกรรมที่จะต้องไปใช้กรรม ก็ต้องไปเกิดในอบายถ้าได้เกิดเป็นเดรัจฉานถึงแม้จะได้มาอยู่วัดก็จะไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากพระาศาสนาเพราะไม่สามารถฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เพราะคำสอนนั้นจะเป็นภาษามนุษย์ถ้าเป็นเดรัจฉานเช่นพวกสุนัข ที่มาสายวัดอยู่ก็จะไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากคัพพธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงแม้ได้พบกับพระพุทธศาสนาแต่ตนไม่ได้เป็นมนุษย์ก็ไม่มีประโยชน์อะไรไม่สามารถรับคำสั่งคำสอนได้หรือถ้าทำหนักบาปทำบาปที่หนักก็อาจจะต้องไปใช้เวรใช้กรรมในนรก เปเวลาอันยาวนานกว่าจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็จะไม่มีพระพุทธศาสนาหลงหรืออยู่แล้วพระพุทธศาสนาที่จะปรากฏขึ้นในแต่ละครั้งนี้ใช้เวลามากเช่นหลังจากที่ศาสนาพุทธที่ของเรานี้ได้เสื่อมหมดไปแล้วกว่าจะมีพระพุทธเจ้าองค์ใด มาตัดสรุปมาประกาศพระธรรมคำสอนมาก่อตั้งพระพุทธศาสนาขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็เป็นเวลาหลายกับหลายกันด้วยกันระยะเวลาของกับนี้ท่านเปรียบเทียบเหมือนกับเวลาที่คนคนหนึ่งทุกร้อยปีนำ้าไปรูปไปขัดภูเขาหิมาลัย ทำอย่างนี้ทุกร้อยปีให้มาขัดภูเขาีิมาลายหนึ่งครั้งทุกร้อยปีให้ทำอย่างนี้ไปจนกว่าภูเขานั้นจะลากลงเหลือแต่พื้นเป็นพื้นลาบไปคิดดูก็แล้วกันว่าภูเขานี้มันเป็นหินการที่เราเผ้ามาลูบทุกร้อยปีในต่อครั้งหนึ่งนี้ เมื่อไหร่ภูเขามันจะสึกหายไปหมดนั่นแหละคือเวลาของกลับของกันเป็นอย่างนั้นดังนั้นการที่ปรากฏของพระพุทธศาสนาจึงไม่ใช่เป็นของง่ายต้องใช้เวลาอันยาวนานกว่ า, าพระโพธิสัตว์จะสามารถบำเพ็ญบุญบารมีจนสามารถ ตัดสรูเป็นพระอาหารหันต์สันมาสัมพุทธเจ้าได้พวกเราจึงถือว่าเป็นพวกที่มีบุญมีวาสนามีโชคคราบอย่างยิ่งที่ได้มาเจอพระพุทธศาสนาในครั้งนี้และอาจจะเป็นครั้งเดียวก็ได้เพราะถ้าเราตายไปแล้วอย่างที่บอกเราต้องไปใช้บุญใช้กรรมในภพอื่นๆจนกว่าบุญกรรมนั้นจะ หมดไปถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาสร้างบุญสร้างกรรมใหม่ถ้ามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาเราก็เป็นเหมือนกับอยู่ในที่มืดไม่มีแสงสว่างไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ข้างหน้าหรืออยู่ข้างหลังหรืออยู่รอบข้างได้เราก็ต้องคลั่งไป ทำอะไรก็ทําแบบคลาไปเวลาทําแบบคลาไปมันก็ทําแบบผิดผิดถูกๆ ถ, ถูกบ้างผิดบ้าง น, นี่คือลักษณะของมนุษย์ที่อยู่ปราศจากพระพุทธศาสนาจะเป็นอย่างนี้ทุกคนต้องการสแสวงหาความสุขต้องการหนีจากความทุกข์กันแต่เนื่องจากไม่มีแสงสว่างนําทาง ทำให้เราเห็นว่าความสุขอยู่ตรงไหนความทุกข์อยู่ตรงไหนเราก็เลยลองผิดลองถูกไปชีวิตของพวกเราก็เลยต้องคุกคลีกับความสุขและความทุกข์ซึ่งส่วนใหญ่ความสุขที่ได้ก็จะไม่ยาวนานไม่เหมือนกับความทุกข์ความทุกข์ที่เกิดขึ้นในแต่ละทางนี้ แสนทรมานใจดังนั้นถ้าเราไม่อยากจะต้องอเผชิญกับความทุกข์อย่างที่พวกเรากำลังเผชิญอยู่และจะต้องอเผชิญต่อไปเพราะเราอยู่ในโลกของทุกขังนี้เองอนิจังทุกขังอนัตตาเราอยู่ในโลกของอริจังคือความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงนี้จึงทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะร่างกายของเรานี้ ก็อยู่ภายใต้กฎของอนิจจังคือความไม่เที่ยงเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปในที่สุดเวลาแก่นี้ก็แสนทุกข์ทรมานเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ละครั้งก็แสนจะทุกข์ทรมานและเวลาจะตายก็ยิ่งแสนจะทุกข์ทรมานใหญ่แต่ถ้าเรามีพระพุทธศาสนามาสอน มาเป็นผู้นำทางเราจะมีเราจะรู้จักวิธีรู้จักทางที่จะพาให้เราไม่ต้องทุกขทรมานกับความแก่กับความเจ็บกับความตายได้มีพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่มีคำสอนที่มีมรรคเป็นองค์แปทางดำเนินที่มีวิธีการดำเนินอยู่แปประการด้วยกัน ถ้าเราอยากจะรู้ว่าศาสนาใดหรือคำสอนใดเป็นศาสนาที่จะพาให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ให้พาเราไปสู่ความสุขที่แท้จริงความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมคลายก็ต้องดูตรงที่มรรคที่มีองค์แดนี้ ถ้ามีศาสนาใดมีคำสอนใดสอนให้เราดำเนินตามมรรคที่มีองค์แปดนี้ mm. ก็ถือว่า mm. เป็นศาสนาที่จะพาให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ได้พบกับความสุขที่แท้จริงได้มรรคที่มีองค์แปนี้มีอะไรบ้างมีอยู่ข้อแรกประการแรกก็คือสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบหรือความเห็นที่ถูกต้องข้อสองก็คือสัมมาสังกัปความคิดที่ถูกต้องข้อที่สามก็คือสัมมากรมันโตคือการกระทาที่ถูกต้องข้อที่สี่ก็คือสัมมาวาจาการพูดที่ถูกต้องข้อที่ห้าก็คือสัมมาอาชิโร อาชีพที่ถูกต้องข้อที่6ก็คือสัมมาวายาโมความภาคเพียนที่ถูกต้องข้อที่7คือสัมมาสติคือการมีสติและ ล, ลึกรู้ที่ถูกต้องและข้อที่8ก็คือสัมมาสมาธิการมีจิตที่ตั้งมั่นอย่างถูกต้องนี่คือ มักหรือวิธีการที่จะพาให้จิตใจของเราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายเพราะจะพาให้เราไม่ต้องไปเกิดอีกนั่นเองเพราะการเกิดในแต่ละครั้งนี้ย่อมมีความแก่มีความเจ็บมีความตายตามมาเสมอ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับใครก็ตามกับมหาเศรษฐีกับพระเจ้าแผ่นดินหรือกับคนขอทานข้างถนนก็ไม่สามารถที่จะหนีพ้นจากกฎแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตานี้ไปได้แต่ผู้ที่มีคำสอนคือมรรคที่มีองค์แปดนี้จะอยู่เหนือความทุกข์ ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายได้พวกเราถ้าอยากจะอยู่อย่างสุขสบายในยามเวลาที่เราแก่เท่าในยามที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยในยามที่เราต้องตายไปก็ขอให้เราสราบมรรคที่มีองค์แปดนี้ให้อยู่กับตัวเราตลอดเวลาเถิด และเราจะมีเกราะคุ้มกันคุ้มกันความทุกข์ต่างๆไม่ให้เข้ามาเหยียบย่าทำลายจิตใจของเราถ้าเปรียบเทียบกับบ้านก็เป็นบ้านที่ปลอดภัยบ้านที่ปิดหน้าต่างและป้องกันไม่ให้ความร้อนต่างๆเข้ามาได้เพราะในบ้านมีเครื่องปรับอากาศอากาศภายนอกจะร้อนขนาดไหนก็ตาม ก็จะไม่สามารถทำให้คนที่อยู่ภายในบ้านนั้นร้อนต่างไปได้เพราะในบ้านนั้นมีเครื่องปรับอากาศผู้ใดมีมั้งที่มีองแปดนี้อยู่ในจิตในใจก็เป็นเหมือนกับมีเครื่องปรับอากาศที่จะรักษาให้ใจอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนไปกับการเกิดขึ้นของสิ่งต่าง ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่นอกกายเราก็ตามเช่นบุคคลต่างๆสามีภรรยาบุตรทธิดาบิดามารดาปุยญาตายายคูบาจามญาสนิทมิตรสหายที่จะต้องอยู่ภายใต้กฎของอนิจจังที่จะต้องมีการเสื่อมและมีการหมดไปยามใดที่เกิดเหตุการณ์หลังนี้แก่ บุคคลที่เราเกี่ยวข้องด้วยถ้าเราไม่มีมรรคที่เป็นองศาอยู่ในใจของเราเราจะมีแต่ความทุกขุนวายใจมีความเศร้าโศกเสียใจเช่นถ้าเรามีคนรักเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วหมอก็ไม่รับรองว่าจะรักษาได้มากน้อยเพียงไร ในตอนนั้นจิตใจของเราจะต้องมีความวุ่นวายมีความทุกข์มีความกังวลอย่างแน่นอนเพราะใจของเรายังไม่มีมรรคที่เป็นองค์8นั่นเองแต่สำหรับบุคคลเช่นพระพุทธเจ้าก็ดีพระอาหารหันตสาวกก็ดีที่มีมรรคเป็นองแปดอยู่ภายในจิตใจแล้วท่านจะไม่มีความเดือดร้อนกับ การเกิดขึ้นของบุคคลต่างๆจะว่าใจจือใจดำก็ไม่ใช่ความรักความเมตตาก็มีอยู่เหมือนเดิมแต่มีปัญญาที่ต้องยอมรับความจริงของสัจธรรมของร่างกายว่าทุกคนเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาถ้ารักษาได้ก็รักษากันไป ถ้าทำอะไรได้ก็ทำกันไปแต่จิตใจจะนิ่งจะสงบจะมีสัมมาสมาธิอยู่ตลอดเวลาไม่ไม่ไม่เป็นเหมือนกับกะตายที่เวลาอยู่นอนอยู่โคนต้นตาลแล้วเวลาต้นตาลตกลงมาก็เกิดความตกใจ คิดว่าโลกกำลังถลง่มแผ่นดินกำลังทลายเพราะไม่มีปัญญาไม่มีสมาธิไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่มีสมมัมสมามมสมาังกัปโปะซึ่งเป็นองค์ประกอบของปัญญาถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิแล้วเราจะรู้คำว่าตายรักเป็นอย่างไรคำว่าตายรักก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาคือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามหรือแม้แต่ข้าของต่างๆก็ตามล้วนอยู่ภายใต้กฎของคำว่าอานิจจงคือไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเปลี่ยนไปมีการเจริญมีการเสือ่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาร่างกายของเราเกิดมาแล้วก็มีการแก่ มีการเจ็บมีการตายเป็นธรรมดาร่างกายของคนอื่นก็เช่นเดียวกันข้าวของต่างๆก็เช่นเดียวกันเวลาได้มามันก็เป็นของใหม่พอใช้ไปนานๆข้ามันก็กลายเป็นของเก่าแล้วในที่สุดมันก็เสียไปเครื่องใช้ต่างๆที่เรามีอยู่เราต้องคอยเปลี่ยนอยู่เรื่อยเพราะมันไม่จีรังถาวรมัน เป็นอนิจจังนั่นเองนี่คือความจริงของสัมมาทิฏฐิเป็นอย่างนี้ความจริงของสิ่งต่างๆเป็นอย่างนี้ถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิเราก็จะรู้ทันความจริงนี้แล้วเราก็จะไม่หลงยึดติดกับสิ่งต่างๆหรือบุคคลต่างๆเราจะเตรียมใจรอรับกับการเปลี่ยนแปลง กับการเสื่อมหมดไปของทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อใจของเรามีความพร้อมที่จะรับกับเหตุการณ์ต่างๆแล้วใจของเราจะนิ่งสงบจะไม่วุ่นวายจะไม่เดือดร้อนนี่เป็นเป็นเนื่องของสัมมาทิฏฐิเพราะเมื่อเรามีสัมมาทิฏฐิแล้วสัมมาสังกับโป ค, คือความคิดที่ถูกต้องก็จะตามมา คือเมื่อรู้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเราก็จะไม่คิดอยากจะให้มันเป็นอย่างอื่นเช่นร่างกายของเรารู้เรารู้ว่าสักวันหนึ่งก็ต้องแก่สักวันหนึ่งก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยสักวันหนึ่งก็ต้องตายใจของเราก็จะไม่คิดที่จะให้เป็นอย่างอื่นคือจะไม่คิดว่าอยากจะไม่แก่อย่างนี้รู้ว่าอยากไปก็ไม่เกิดประโยชน์ อยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรอยากไม่ตายก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมีแต่จะสร้างความทุกข์ให้กับใจเพราะความคิดแบบนี้เป็นสมุทยัยคือต้นเหตุของความทุกข์ใจนั่นเองผู้ใดที่คิดเกี่ยวกับเรื่องความอยากเหล่านี้แล้วจะต้องวุ่นวายจะต้องทุกข์ทรมานใจอยู่ตลอดเวลา ผู้ที่สามารถระงับความคิดแบบนี้ได้คือไม่คิดอยากที่จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอยาอมรับความจริงแก่ก็แก่เจ็บก็เจ็บตายก็ตายแต่ผู้ที่จะไม่ทุกข์ก็คือใจนี้แหละเพราะใจไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายแล้วเรื่องอะไรใจจะต้องไปเดือดร้อนกับร่างกายร่างกายเขาไม่เดือดร้อนแต่อย่างใด ร่างกายเขาไม่รู้เรื่องร่างกายนี้เขาเป็นเหมือนกระเป๋าหรือเหมือนเสื้อผ้าที่เราสวมใส่เวลาเสื้อผ้าขาดไปเสื้อผ้าเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่คนใส่นี้ต่างหากที่เดือดร้อนถ้าไปชอบไปรักเสื้อผ้าชุดนั้นเข้าก็จะเกิดความเสียดายเสีย อ, อกเสียใจที่จะต้องเสียเสื้อผ้าชุดนั้นไปแต่ถ้าเป็นคนฉลาด มีสัมมาทิฏฐิก็จะรู้เรื่องหน้าว่าเสื้อผ้านี้มันก็ต้องขาดใช้ไปแล้วต่อไปมันก็ต้องทิ้งไปพอรู้อย่างนี้เมื่อถึงเวลาที่จะต้องทิ้งเขาไปก็จะไม่รู้สึกเสีย อ, อกเสียใจแต่อย่างใดร่างกายของเราก็เป็นเหมือนเสื้อผ้าที่เราต้องยอมรับความจริงของเขา เมื่อเรายอมรับแล้วเราก็จะมีสัมมาทิฏฐิเราก็จะมีสัมมาสังกัปปะและเราก็จะมีสัมมากัมมันโตคือการดำรงการกระทำต่างๆของเรานี้จะไม่ไปทำเพื่อให้เกิดความทุกข์แก่ใจเช่นการทำบาปต่างๆเพื่อที่จะรักษาชีวิตของเราไว้เช่นเราทุกคนต้องทำมาหากิน เราต้องแต่เราจะทำมาหากินบนพื้นฐานของความสุจริตคือไม่ผิดศีลผิดธรรมเราจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อให้มีได้รายได้มาเราจะไม่ช่อโกงทำมาหากินพูดปลดโกหกหลอกลวงอย่างนี้เราจะไม่ทำเพราะเรารู้ว่าทำไปแล้วจะทำให้จิตใจของเราต้องทุกข์ต้องวุ่นวายใจนั่นเองการพูดของเราก็จะเป็นสุจริต คือเราจะพูดแต่ความจริงเราจะพูดคำที่สุภาพเราจะพูดแต่สิ่งที่มีสาระอย่าไม่พูดเพ้อเจ้อหินทากาเลยว่าคนนั้นว่าคนนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรพูดอะไรก็พูดให้มันเป็นความรู้ขึ้นมาเช่นพระเวลาคุยกันเขามักจะพูดว่าสมทนาธรรมกันพระเราจะไม่พูดเพ้อเจ้อ เพราะเป็นข้อห้าเป็นศีลของพระเป็นพระนี้จะต้องพูดแต่เรื่องที่เป็นความจริงเรื่องที่เป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์และก็ไม่มีอะไรที่มีประโยชน์เท่ากับธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าในเบื้องต้นถ้าไม่รู้ก็ต้องศึกษาก่อนอย่างผู้บวชใหม่มานี้ถือว่าเป็นนักเรียนทึ่นเข้าโรงเรียนต้องเรียนหนังสือ เช่นในช่วงเข้าพรรษานี้ก็จะมีโรงเรียนปริยัติธรรมสอนพระบวชใหม่พระบวชใหม่นี้เรียกว่านาวกะก็จะมีการสอนพระหนวกะให้รู้ถึงพรทธธรรมคาสอนของพระพุทธเจา้าเพราะถ้าจะเป็นพระก็ต้องรู้เรื่องธรรมะแล้วต่อไปเวลาคุยกับใครก็จะคุยแต่เรื่องธรรมะเพราะจะเป็นประโยชน์ทั้งผู้พูดและผู้ฟัง ผู้พูดก็จะมีความสุขมีความสงมบใจผู้ฟังก็จะได้ความรู้ได้แสงสว่างที่จะพาที่จะนำเอาไปใช้ในชีวิตของตนได้ทำให้ชีวิตของตนนั้นดีขึ้นความทุกข์น้อยลงความสุขมากขึ้นอย่างที่ญาติโยมมาฟังกันในวันนี้ถ้าญาติโยมนำเอาสัมมาทิฏฐิที่ได้พูดถึงนี้เอาไปใช้ในชีวิต ของตนมองอะไรก็มองล่วงหน้าไว้ก่อนว่าทุกอย่างต้องเสือ่อมทุกอย่างต้องหมดไปถ้ามองอย่างนี้แล้วใจจะไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆใจจะไม่พูดผิดจะไม่ทำผิดเพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรไปโกงเงินทองเข้ามาเดี๋ยวตายไปก็ต้องทิ้งไปหมดได้มามากน้อยเพียงไรก็เอาติดตัวไปไม่ได้ เอาไปได้แต่บาปหรือบุญเท่านั้นเองถ้าโกงมาก็มีแต่บาปติดตัวไปก็ต้องไปใช้กรรมอีกถ้าทําด้วยความสุจริตก็มีแต่บุญมีแต่ความสุขพาเราไปสู่ความสุขที่แท้จริงในลำดับต่อไปนี่คือหลังจากมีสัมมาทิฏฐิแล้วเราก็จะมีสัมมา สังกัปโปความคิดที่ถูกต้องคิดที่จะพูดดีทำดีนั่นเองคิดที่จะรักษาศีลคิดที่จะออกบวชกันพอรู้แล้วว่าชีวิตในโลกนี้ไม่มีอะไรที่เป็นสาระความสุขที่เราได้จากสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นเหมือนควันไฟได้มาแล้วก็จางหายไปปล่อยให้เราอยู่กับความอ้างว้างปเปล่าเปลี่ยว อยู่กับความหิวอยู่กับความอยากอยู่ตลอดเวลาสู้ตัดความอยากต่างๆดีกว่าหาความสุขที่เกิดจากความสงบของจิตใจที่เกิดจากการมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรสัมมาวาจาสัมมาสัมมากรมันโตและสัมมาอาชีวอาชีพที่สุดเจริญนั่นเอง อาชีพที่เป็นสมามอาชีพนี้ก็มีหลายอย่างด้วยกันเช่นอาชีพที่เราไม่ควรทำคืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้อื่นเช่นทำมาค้าขายสิ่งที่มีชีวิตเพื่อที่เขาจะนำเอาไปฆ่าเป็นอาหารอย่างนี้เป็นต้นเช่นค้าหมูค้าไก่ค้าวัวค้าควายอย่างนี้ไม่ควร หรือค้าสิ่งที่เป็นโทษต่อร่างกายเช่นสุรายาเมายาเสติด ต, ต่างๆหรือค้าขายสิ่งที่เป็นโทษกับชีวิตของผู้อื่นเช่นสัตว์ราวด์ต่างๆปืนผาหน้าไม้หรือกับดักสัตว์ชนิดต่างๆหรือยาพิษต่างๆสารพิษต่างๆนี่เป็นอาชีพที่เราไม่ควรจะไปเกี่ยวข้องด้วย เพราะเป็นการสร้างบาปสร้างกรรมถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิแล้วเราจะรู้ว่าเราไม่จำเป็นจะต้องร่ำรวยไม่จำเป็นจะต้องหาเงินทองมามากมายเพื่อมีความสุขเราเพียงมีปัจจัยสี่พออยู่พอกินได้เราก็อยู่ได้แล้วเรามีความสุขมากกว่าเพราะถ้าเรามีอะไรแล้วเราก็ต้องทุกข์ เราก็ต้องกำวลกับสิ่งที่เรามีมีมากก็ทุกมากมีน้อยก็ทุกน้อยเพราะในวันหนึ่งก็ต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างไปดังนั้นผู้ที่มีสามมาทิติแล้วก็จะไม่มีความอยากที่จะมีอะไรมากๆหรืออยากจะเป็นอะไรอยากจะอยู่อย่างสงบ ก, ก็จะมีความภาคเพียรในการทำความดีมีความภาคเพียรในการ ละการกระทำบาปต่างๆเพราะเป็นวิธีที่จะทำให้มีความสุขใจมากขึ้นนั่นเองและจะพยายามเจริญสติอยู่ตลอดเวลาระลึกรู้อยู่ตลอดเวลามีสติอยู่ที่กายวาจาใจดูว่าอยู่ในสัมมาทิฏฐิอยู่ในมรรคที่เป็นองแบบหรือไม่คือคิดดีหรือไม่พูดดีหรือไม่ หรือทำดีหรือไม่นี่คือการมีสติที่ถูกต้องและพยายามที่จะทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในความสงบด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธสวดมนต์ไหว้พระระ ง, งับความคิดปรุงตง่ต่างๆเพราะความคิดปรุงแต่งต่างๆนี้จะทำให้จิตใจฟุ้งซ่านไม่สงบมีอารมณ์ว้าวุ่นขุ่นบัวไม่รู้จักจบจากสิ้น ถ้าอยากจะมีสัมมาสมาธิก็ต้องหมั่นไหว้พระสวดมนต์หมั่นบริกรรมพุทโธนั่งสมาธิอยู่เรื่อยๆแล้วจิตใจจะนิ่งสงบจะเย็นจะสบายจะเป็นอุเบกขาปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้อะไรจะเกิดก็ปล่อยให้เกิดไปร่างกายจะแก่ก็ปล่อยให้แก่ไปร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ปล่อยให้เจ็บไข้ได้ป่วยไป ร่างกายจะตายก็ปล่อยให้ตายไปไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะอย่างไรเราก็ห้ามเขาไม่ได้อยู่ดีเราอยากจะไม่แก่ก็เป็นไปไม่ได้อยากจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นไปไม่ได้อยากจะไม่ตายก็เป็นไปไม่ได้แต่ความอยากนี้จะสร้างความทุกข์ทรมานใจให้เราอย่างที่สุดถ้าเราไม่มีความอยากเหล่านี้แล้วเราจะมีความสุขสบาย ทั้งๆ ท, ที่ร่างกายกาลังแก่ไปกาลังเจ็บไปกาลังตายไปจะไม่สามารถเข้ามาสร้างความทุกข์ให้แก่ใจของเราได้เลยนี่คือเรื่องของมรรคที่เป็นองค์แเป็นสาระสำคัญของพระพุทธศาสนาเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดก็ตามเมื่อมาตัดสรูแล้วก็จะสอน นักที่มีองค์แปนี้เสมออย่างนั้นเราจะไม่ควรผัดวันประกอบพุ่งอย่าไปหลอกตัวเราเองว่าไว้รอให้เราได้เจอกับพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปก่อนชาตินี้ขออยู่อย่างสบายๆยอย่างนี้ไปก่อนยังไม่อยากปฏิบัติมากกว่าที่ทำอยู่ขอให้ได้ทำบุญให้ทาน ก็พอแล้วส่วนศีลถ้ารักษาได้ก็รักษารักษาไม่ได้ก็ขอผัดไว้ก่อนถ้าเราทำอย่างนี้เราก็ยังต้องไปเวียนไหวตายเกิดอีกไม่รู้กี่พกกี่ชาติยังไม่รู้ว่าจะต้องหลังน้ำตาอีกมากน้อยเพียงไหเราจึงควรสร้างความรู้สึกกลัวต่อการเวียนไหวตายเกิดเสียจะดีกว่าและ พิจารณาถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของชีวิตของเราเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ไปนานอีกสักเท่าไรตอนนี้เรามีเวลาเราควรจะรีบตักตวงสร้างมั่มีองค์แปดนี้ให้เกิดขึ้นมีภายในใจของเราจะดีกว่าเพราะเมื่อเรามีมัสนี้แล้วเราจะหลุดพ้นจากความทุกข์ด้เราไม่ต้องไปเกิดใหม่ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปได้ อยู่ที่ตัวเราไม่มีใครทําแทนเราได้เหมือนการรับประทานอาหารหลายคนต่างต้องรับประทานกันเองไม่มีใครรับประทานให้ใครได้ชั้นใดการรักษาจิตใจเพื่อให้อยู่เหนือความทุกข์เพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายก็อยู่ที่ตัวเราเองอยู่ที่การน้อมเอามรที่มีองค์แปดที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี้มาปฏิบัติกับตัวเราเท่านั้น จึงขอฝากเรื่องของการลาวัดเพื่อมาตักตวงผลประโยชน์ที่เราพึงจะได้รับจากพระพุทธศาสนานี้ให้ท่านได้นำไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขอคุณพระศรีรัตนตรายมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และบุญกุศลที่ท่านได้มาบันเพญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุมนะสุขะพละโดยทั่วหน้ากันเท